และรับการแสดงอาบัตตต่อไปและส่งอนุญาตให้ภิกษุสอนวินัยแก่นางภิกษุณีได้การลงโทษภิกษุ ด, ด้วยการไม่ไหวภิกษุชพคีเอาน้ำโคลนรดนางภิกษุณีบ้างแสดงอาการต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเพื่อจะให้นางภิกษุณีกหนัดในตน ทรงปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ทำเช่นนั้นและให้ลงโทษคือทันตกรรมแก่ภิกษุนั้นโดยให้ภิกษุณีสงนัดกันไม่ไหว้ภิกษุนั้นการลงโทษนางภิกษุณีนางภิกษุณีฉับพคีหรือพวกหกประพฤติไม่ดีไม่งามเพื่อให้ภิกษุกำหนดในตนทรงปรับอาบัตทุกกฎ